พระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครให้นับถือปล่อยให้เป็นไปตามปฏิยาไสของผู้จะนับถือเองและด้วยความโง่ความฉลาดก็เป็นเรื่องของคนนั้น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 เหตุที่ควรแกผลนั้นๆเราจะต้องทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่การบังคับนั้นบังคับในตอนนี้หลักความจริงแล้วก็ก็คือเราบังคับเราเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยไม่เช่นนั้นก็เป็นการทำลายตัวเองแต่ว่าทำลายศาสนา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 ใครเป็นผู้ทำผู้นั้นก็เป็นผู้เสียหายเมื่อทำในทางไม่ดีขัดแย้งต่อหลักธรรมหลักวินัยก็ชื่อว่าขัดแย้งต่อความถูกต้องดีงามคือทางเดินอันราบรื่นของตนเมื่อเจนเทนเนนั้นเราจะตหมิผู้ใดเจนทางมีอยู่ทางนี้ไปสู่จุดหมายนั่นนั้นจนกระทั่งจุดหมายปลายทาง เราต้องการจะถึงบ้านใดจุดใดหรือจุดหมายปลายทางเราต้องดำเนินตนบังคับเราให้ไปตามทางสายนั้นเพื่อสู่จุดนั้น น, นและสู่จุดหมายปลายทางเมื่อตนได้ปีกแวจากทางนั้นด้วยความเข้าใจของตนว่าถูกต้องดีงามว่าสะดวกสบาย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 ว่าต้องตำหนิตัวของเราเพราะเราไม่บังคับเราไปสูตรสายทางหรือไปตามสายทางที่ถูกต้องนั้นนั้นนี่เป็นความปิดของเราหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางชี้บอกถึงการดำเนินของผู้ปฏิบัติให้มีความแคลวอคล่วปลอดภัยและถึงจุดหมาย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 ตามจุดหมายแห่งศาสนธรรมที่ประธานไว้แล้วนั้นต่างหากเป็นผู้จะต้องบังคับตนเองนี่เราทั้งหลายเข้าสู่หลักธรรมหลักวินยัยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักบวชโดยสมบูรณ์แล้วตามขั้นสมมุติแห่งความเป็นพระของเรามีอุปชาอาจารย์ใครจะบวชในนิกายใดก็ตามนั่นขึ้นน่ันชื่อว่าถูกต้องแล้วตามสมมุติ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 จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินยัยแห่งความเป็นนัก บ, บวชของตนยอมไม่เป็นสัขขกขาวรมักขาวรคือไม่เป็นรูปศักคต่อมักผลนิพพานหนีเราข้างหลังก็ได้บวชแล้วโดยสมบูรณ์แห่งในความเป็นพระและในหลักแห่งสาคุลนิยมและธรรมวินัยยอมรับแล้ว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 เรื่องยับยับก็คือเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความหิวความกระหายความอยากหลับอยากนอนอันเป็นไปตามเรื่องของขันนี้โลกของเขาโลกเขาก็มีทั่วๆไปไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับธาตุขับขันนี้แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากข่าสึกภายในที่เรียกเรียกว่ากิเลสสมาคอยทําลายแล้วดีบขั้นบังคับกดขี่เราอยู่ตลอดเวลานี้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 และเหตุที่จะทำให้หลุ่มหลงติดพันอันเป็นความที่จะไหลามาแห่งภาระคือความทุกข์ความลำบากนี่ให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภ า, ายในจิตใจด้วยความภาคเปลี่ยนของตนคำว่าศาสนธรรมนั้นเคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วทำแท้มีอยู่ที่ใจสำหรับผู้บาเพ็ญเกิดได้ที่ใจ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 ที่จะพึงรับทราบด้วยตาหูจมูกดิ้นกายและตีความหมายไปทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นเป็นอีกเนี่ยนี่เราพูดเงี้ยจะเพาะแงี้ยแก่เงี้ยขายเงี้ยถอดถอนต้องได้เพิกได้ถอนต้องเลยพินิจพิจารณาเพื่อสิ่งปิดบังหุ่มห่อทั้งหลายเหล่านี้จะได้เพิกถอนตัวออกไปจางออกไปโดยลําดับจิตใจจะได้รับกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นจนกว่าจะได้ รับทมแท้ภายในจิตใจของตนเป็นขั้นๆ้นขึ้นไปทำแท้ตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติธรรมนี่เป็นทำแท้แต่เพิ่งสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่ใจนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงอย่าพากันพลาดหมายว่าทมอยู่บนฟ้าอยู่อากาศอยู่ต้นไม้ภูเขาอยู่กับผู้คนหญิงชายใดๆนอกจากอยู่กับจิตแต่และดวงละดวงของผู้ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมเข้าสู่ใจเท่านั้นทํามไม่มีที่สถิตให้เห็นปรากฏชัดเลยแม้จะมีอยู่กับโลกดินแดนนี้มาตลอดตับตลอดกันก็ตามก็เหมือนกับทําไม่มีเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นสีสันวันนะ้หรือสีแสงต่างๆได้ด้วยตาของตนเสียงดินรถเครื่องสัมผัส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 ทำขั้นต่างๆที่ควรจะเข้าสัมผัสสัมพั์หรือสถิตยอยู่ได้เพราะมีสิ่งที่เป็นค่าสืบต่อกันจีดขวางหรือขั้นกลางไว้หมดภายจิตใจรอบด้านเราทราบไหมว่าครางกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้ครางกิเลสไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ไบรัน์ไม่ได้อยู่ตามตำหลับตำลาไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกที่ไหน กิเลสไม่มีไม่ใช่ครั้งกิเลสในสามแดนโลกธกาตุนี้ไม่มีสถานที่ใดแม้นนิดหนึ่งที่จะเป็นที่สถิตหรือเป็นที่อยู่แห่งกิเลสได้เหมือน จ, จิตใจซึ่งเป็นครั้งกิเลสอันใหญ่หลวงนี้เลยนี่คือครั้งกิเลสอยู่ที่ตรงนี้เมื่อครั้งกิเลสมีอยู่ที่ตรงไหนตัวนั้นหรือที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ก่อทุกข์ก่อความลําบากลำบุญ กวาดตวลให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเรื่อยมาจกนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางได้เลยเพราะครั่งกิเลสต้องผิดตัวอยู่เสมอไม่มีคำวมาว่างกิเลสไม่เคยว่างในการท ำ, ทำงานนอกจากขณะที่หลับเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเวลาจึงเรียกว่าครั่งกิเลสอยู่ที่ใจนี่เราพูดแต่ครั่งแห่งธรรม หรือที่อยู่แห่งธรรมที่เกิดแห่งธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องพูดเรื่องของกิเลสว่ามีอยู่ในสถ า, านที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นเหล่านั้นเป็นชื่อของกิเลสท่านจดจารึกไว้ในกัมพีบาลานตำหนักตําลามากน้อยพระสูตรพระวินยัยพระประมัาทุ่นแล้วตั้งแต่เป็นชื่อเป็นนามของบาปพ้อง บุญของนรกของสวรรค์ของกิเลสอัญหาสวะอาสวะของมรรคนิพานเป็นชื่อทั้งนั้นไม่ใช่ตัวจริงทำเหล่านั้นท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจท่านไม่ชี้เข้าไปที่อื่นนั่นแหละคือแบบแปนแผ่นผังชี้เข้ามาที่นี่ให้ปฏิบัติกรรจัด ก, กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในกิเลสท่านก็บอกว่ามีอยู่ภายในจิตนี้เนาะทำที่จะมาแก้กิเลสก็แก้อยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจิตจริงเป็นสิ่งสําคัญมาก ซึ่งแบกหามกิเลสเป็นพาชิพาชนะกิเลสอันสกรปรกโสมมมาเป็นเวลานานเราทําไมจึงจะมีความสนิทติดจมกับกิเลสไปหมไม่มีวันเหงโทษเห็นภัยกันบ้างเลย ท, ทั้งที่เป็นนักปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่แล้วทําไมจริงจะต้องนอนใจความทุกข์เป็นสิ่งที่ควรนอนใจแล้วเหรอแม้แต่ดอกไฟกระเด็น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 นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากเวลานี้ข้าศึกเต็มอยู่ที่หัวใจนี้อย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่โลกดินแดนใดๆดดังที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีข้าศึกตัวเกิดก็คือใจดวงนี้แหละตัวฝังพิษอยู่ในตนพาให้เกิดพิษของมันก็คืออวิชาปัฏุยาสร้างขารานี่เป็นบรมจักรพัดูภายในนี้หรือวัด ก, กรรษัตริย์วัตจักรคือตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งมวลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนไหนที่เต็มไปในแดนโลกกระถางนี้มีตั้งแต่ตัวนี้เท่านั้นเป็นผู้แผ่กระจายขย า, ายอํานาจออกไปให้สัตว์ทั้งห ล, หลายได้เกิดไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ทุ่งสูงต่ํำต่ำลุลุ่มดอนดอนไม่มีว่าดินฟ้าอากาศที่ไหนไหนเกิดได้ทั้งนั้ น, อ, นอำนาจอันนี้แผ่กระจายไปมากทีเดียวแต่เพราะ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 เราอยาพูดถึงขั้นละเอียดของกีเยวตับญหาอาสวะนั้นเลยที่กล่าวมาทั้งมวล น, นี้ฝังอยู่ที่จิตใจของเราของท่านของสัตว์ของบุคคลทุกรายไม่มีเวน้วนเว้นเฉพาะพระรหันที่ท่านบรรลุรมแล้วเท่านั้นแม้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่มีสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่มีท่านจึงเป็นผู้โล่งโถงเป็นอิสระเต็มตัวตลอดอากาลิโก ไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากวนใจเพราะท่านกําจัดฟัดเวียงกับสิ่งนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากใจหมดแล้วเรียกว่าหมดแล้วซึ่งผิดอันจะก่อให้เกิดทุกทั้งมงไม่มีเหลือแล้วภายในใจเราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตา ม, มาประพฤติปฏิบัติอย่ามีความเคยชินกับสถานที่อันจะเป็น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 ในวิสัยกําลังวางช้างเราจะแบบได้เมื่อนหนักมากไปเราก็ปรงลงได้แต่หนักเรื่องกองทุกหนักเพราะกิเลสตัณหาอสะวาทุกประเภทที่บรรจุเต็มอยู่ภายใจิตใจนี้หาที่ปรงที่วางไม่ได้จึงเรียกว่าคลังของกิเลสมีอยู่ที่นี่เมื่อเป็นเช่นั้นเึงไม่ควรนอนจใจปราดท่านไม่พาให้นอนใจเราเป็นลูกศิษย์ของปราดทําไมจึงนอนจใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้ อ, องอาจกระหารเชีช่ยวชาญเฉลียวฉาลาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเป็นโลกวบิทูของโลกเป็นจอมปราดการแนะนำสั่งสอนศาสตว์โลกแต่ละบทละบาดออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ล้น้วนไม่มีกิเลสเข้าเคลือบแฝงแบ่งปันเอาเลยเป็นธรรมลน้นรวนออกมานี่คือกระแสแห่งธรรมของของพระองคเองไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้ได้แก่วิสุทธิธรรม ทรงแสดงอาการออกมาให้เราทั้งหลายได้ยึดได้คว้าได้ประพฤติปฏิบัตินํามากำจัดต่อสู้กับพิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ภายในาจิตใจนี้ให้สิ้นไปบนันดาลกต่น้อยจนกระทั่งถึงขาดกระเด็นออกไปหมดจากธรรมของพระพุทธเจ้ากระแสะแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงควรคำหนึ่งเสมอเชื่อพระพุทธเจ้าใ ห, ให้เชื่ออย่างถึงใจ บ, งบังคับจิตใจของตราในตอนนี้แม่อย่าเข้าใจว่าศาสนามาบังคับ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 เพื่อชิงชัยชนะเอาสมบัติอันล้นค่านี้เข้ามาครองเป็นใจที่บริสุทธิ์มหาสมบัติตรงนี้จึงต้องมีการต่อสู้กันบังคับบัญชากันการบังคับบัญชาก็เหมือนบังคับทับนั่นเองต่อสู้กิเลสซึ่งเป็นกองทับอันหนึ่งกองทับทำได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรก็บังคับมันเข้าไปเพื่อต่อสู้กับข้าศึกให้ได้ชัยชนะครองหัวใจอันบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในใจิตใจนี้ จิงจำเป็นต้องบังคับกันอย่างเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีการลดหย่อนผ่อนผันนี่ชื่อว่าเป็นนักรบตามทางศาสดาดาดําดำเนินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องถามละเรื่องพบเรื่องชาติอยู่ที่ไหนจะทราบกันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธินี้ เมื่อจิตมีความสงบตัวเข้าไปมากน้อยจะโหดตัวเข้ามาให้เห็นเด่นชัดว่านี่คือจุดแห่งผู้รู้นี่คือจุดแห่งความสงบนี่คือจุดแห่งความสุขนี่คือจุดแห่งความเย็นใจนี่คือจุดแห่งความตรงวางลงได้บ้างแล้วบรรดาภาระทั้งหลายที่กังวลแบกอยู่ด้วยความกังวลกวาดสายแสงได้ตรงวางลงบ้างแล้วเริ่มทราบไปตั้งแต่บัดนี้เมื่อได้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 ส่วนทุกข์ทางความภาคเพียร น, นี้พอหยุดเมื่อไหรก่ก็ความทุกข์นี่ก็หายไปเมื่อ น, นั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยจึงไม่เป็นของลำบากกิ่งกว่าทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมาเราจรึงไม่ควรอิหนาละอายใจแต่ส่วนมากมีแต่กิเลสมันอสอดแทรกเข้ามาให้มาเกิดความอิจฉาละอายใจในการที่จะต่อสู้กับมันกลัวว่าจะเป็นทุกข์เป็นความลำบากลําบ่นตนมีวาสนาน้อยมีสติปัญญาน้อยบ้างเวลานอนจนอยู่กับกิเลสไม่เห็นพูดไม่เห็นคนํานึงกับสิ่งเหล่านี้เลย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 แล้วเกิดความสุขขึ้นมานอกจากมีความสนิทติดใจกับสิ่งใดแล้วจะเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองเท่านั้นเราจึงไม่ควรที่จะสนิทติดจมกับสิ่งใดไม่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยทั้งสี่ฮีวอเครื่องลูกหม่มใช้สอยบินสมาดอาหารการบริโภคจึงต้องระมัดระวังเสมอเพราะสิ่งเหล่านี้พอเยียวยาธาตุขาดขให้เป็นไปเพื่อจะประกอบความภาคเพียรให้ได้มากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกัำลังความสามารถของตนเท่านั้นไม่ใช่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 จะพาให้ถอดถอนกิเลสนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมายขึ้นพายใจิตใจแล้วก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็จะหกล้มคมกคลาดเพราะความทุ่งเฟอ้อหมืมจากนั้นแล้วก็ความสับสนงงงานง่งเหงาเฒ่านอนขี้เกียจขี้คลานเต็มไปหมดพายใจิตใจเมื่อบรรจุสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆเป็นอย่างนั้นนี่ได้เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้พอดียงลุตเตือนหมู่เพื่อนมีหน้ำช้ายังต้องได้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 ผู้ไม่เห็นองค์ท่านไม่เห็นปฏิบัติของท่านได้ยึดได้ถือได้เป็นกติเครื่องเปิดใจเช่นการความเป็นอยู่ปูวายท่านอยู่อย่างง่ายงายอยู่อย่างสบายมากทีเดียวไม่เป็นกังวลบุ่นวากับเจตุ ป, ปัจจัยทยถาคือปัจจัยทั้งสี่ทีวานบินธมาดได้อะไรมาฉันเท่านั้นนหะไม่เป็นกังวลอะไรเลยแล้วอาหารวันข้าวส่วนมากตามปกติของ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 เพราะเราก็ไม่เคยเด้กผกปรากฏธรรมในขณะหรือในเวลาหรือสถานที่ที่สมบูรณ์ผลผลได้วยจตุปัจจัยธตรานทั้งสีนี้เลยส่วนมากส่วนมากต่อมามีแต่เจริญทางด้านจิตใจไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาไม่ว่าขั้นใดๆแห่งธรรมด้วยความโอุยากขาดแผ่นไปทั้งนั้นเห็นตบบาดมาไม่ได้อะไรมีแต่ ข้าวเปล่าชันลงไปแล้วเป็นยังไงพอยังชีวิตให้เปลี่ยนไปก็เราเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อการดัดชันดาลตัวเองเพราะมันลิ้นยาวท้องใหญ่ท้องโตมีมากกินมากกินไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเลกลายเป็นเรื่องกินด้วยกิเลสตัณหาอะไรอร่อยให้รดแห่งอาหารเหยียบย่าทําลายแหลกหมดทําให้ไม่มีเหลือภายในจิตใจเมื่อไปนั้นจึงต้องสลัดวิธีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีใหม่ อยู่เรื่อยพิษแพลงเปลี่ยนแปลงเช่น น, น, นี้จึงชื่อว่าการปฏิบัติธรรมด้วยสติปัญญาเมื่อมีอาหารเปล่าๆกินแล้วเป็นยังไงตัวก็เบานั่งสมาธิตรงแนวไม่มีความง่เหงาแหาหน่นอยเดินจงกรมก็ตัวปริวไปเลยนัไม่ใช่ว่าจะมีเข้าเปล่าอยู่นั้นตลอดไปมีสับมีเปลี่ยนมีอดมียาขาดแคลนสมบูรบ้างเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากขาดแคลนเพราะหาที่เช่นนั้นนี่ผู้ปฏิบัติ และจิตใจมีความเจริญเพราะที่เช่นนั้นอาหารประเภทนั้นเพราะความอ่อยากขาดแคลนเช่นนั้นจิตใจมีความเจริญหมุนไปทางสมาธิก็ลงอย่างสงบแน่วละเอียดมากผิดกันหมุนไปทางปัญญาก็คร่งตัวความหงวเหงาหนอนนี้ไม่มีท่านพูด้อดอาหารแล้วรู้เองเพียงแต่อาหารไม่ ไม่สมบูรณ์เท่านั้นก็ไม่งอกห่วงแล้วยิ่งอดอาหารไปถึงสองสาวันไปแล้วความหง่วงมันจะมาจากไหนออนอนหลับงี่บเดียวเท่านั้นตื่นขึ้นมาแต่ก็มีแต่เวลาประกอบความภาคเพียรสติก็ดีปัญญาก็คล่องตัวทันกับเหตุการณ์นี่คือสถานที่เหมาะสมปัจจัยที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อผู้สังสมกิเลสพอที่จะมาพ่อพูนสิ่งเหล่านี้ให้เต็มพุงแต่ทํานั้นแห้งผ่าภรรากิจใจใช้ไม่ได้เลย ทั้งหลายจงพินิษฐพิจารณาไว้ลูกศรัทธาโคตท่านเดินอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอืมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกุดุมผี พ, พ่อห้าประชาชนก็ต่อคนธรรมดาหรือเมื่อท่านเสด็จท่านออกจากสกุลของท่านแล้วจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนท่านไม่คำหนึ่งเพราะท่านเคยแล้วกับสิน่นนั้นอันเป็นเรื่องโลกล้นล้วนเข้าสู่ธรรมแดนของธรรมท่านเป็นยังไงพาดาเนินยังไงท่านยินดีดําเนินตามแดนแห่งธรรมนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายให้กราบไหว้บูชาหนี้ไม่ใช่ท่านผู้เหลือเฟือแต่ท่านเหลือฟือ้นท่านสมบูรณ์เต็มที่ในปฏิปทาของท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุปัชชะไททานทั้งสีแล้วได้ทํามาสั่งสอนพวกเราให้พากันคิดตรงนี้ไว้ให้มากยาตึงเต้นกับสิ่งใด ใ, ในโลกนี้เพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นหลักใหญ่คือทํา แทงลงไปยิเลศมันจะทนหอกทนหลาทนศาสตราอาวุธคือทำประเภทต่างๆได้เหรอให้เรารู้อืครั้งศาสนานั้นทำมาวุธปราปรามยิเลศแลกแตกกระจายไปหมดพระพุทธเจ้าก็ดีสาวก็ดีมาครั้งนี้ทำเป็นประธรมประเภทเดียวกันทําไมจึงทําลายยิเลศไม่ลงไม่ใช่แบบทำไวให้หนักตัวเฉยเฉยเหรอ ถ้านํามาใช้ทำต้องเป็นประโยชน์เป็นอาวุธที่จะต่อสู้กิเลสได้อย่างทันสมัยเช่นเดียวกับข้ามพุตธ ก, กาลค่ า, ามาัจิมาก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมัจิมาประเภทใดกับกิเลสประเภทใดจะเหมาะสมกันกิเลสประเภทที่ผาดผลที่ดื้อด้านที่สุดต้องอมาัจิมาประเภท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 เอาให้จริงนะักปฏิบัติเอาให้เห็นทีครั้งยางทาพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วอย่างแท้จริงทาแต่ละบทละบาทที่ทรงสอนไว้นั้นเหมือนพระองค์ประทานด้วยพระโอษฐ์เองจริงๆไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยเลยแต่ก่อนเป็นอีกอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความรู้สึกอย่างนี้ใครจะว่ามาก็ยก็ฟังแต่ไม่ยอมแก้ไขมาแบบนี้เอาเป็นไปเถอะว่างั้น พี่พระองค์ตรัสกับพระอนุนว่าทําได้วินัยนั่นแหละจะเป็นาศาดสดรศาสดาแทนเราจะถากดเมื่อเราได้ผ่านไปแล้วหม่ถึงใจทีเดียวให้เดินตามนั้นนี่นะ่านี่นะ่าเหมือนพระองค์ที่บอกอยู่ให้อย่างนี้นะ่ะอย่างนี้นะ่ะวิริเวรานุธรรมเจตินั่นเหมือนว่าคนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหนานะไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความเกียดคร้านความอ่อนแอนะ ความโถแท้เหลีวไหลไม่เป็นประโยชน์นะ น, นั้นเป็นเรื่องของกิเลสหนาเหมือนพระองค์บอกอย่างนี้จะจาอยู่นี้ความเพียรในทางที่ชอบเท่านั้นความมุสาพยายามความบึกบืนความอดความทนความมีสติตั้งตัวอยู่เสมอเพื่อระวังกับกิเลสต่อรู้กิเลสพิณิพิจนาอยู่ด้วยปัญญากรรจัด ก, กิเลสอยู่ด้วยสติปัญญานี่นาที่เป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสจะตายด้วย ความเพียงเหล่านี้ตายด้วยธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตายด้วยสิ่งอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเช่นความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวลอย่านํามาใช้ในวงของผู้จะข้ากิเลสจะขาดกันกับธรรมให้จริงให้จริงนะักปฏิบัติการขบการฉันน้ําร้อนน้าําชาพอเป็นเพียงเครื่องเยียวยาเมื่อต้องการใครตรงไหนต้องการจะฉันเมื่อฉันแล้วไปอย่ามามั่วมาสมกันนะ ดูที่ทางความเพียร น, นุ่นเหมาะเดินมาก็ให้มีความเพียรมามีสติมานั่งฉันน้ําร้อนน้าชาก็ให้มีสติอยู่ในนั้นชื่อว่าประกอบความเพียร น, นั้นความไม่จําเป็นคําใดไม่พูดให้ดูจิตต่างคนต่างดูต่างคนต่างมีค่าศึกต่างคนต่างลบค่าศึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาคล้องตัวอยู่เสมอนี่แหะคือผู้ปฏิบัติจะกําจัดจิ่เล็ดออกจากใจ ขอให้กิเลดออกจากใจเร็วที่จะผิดกันมากน้อยเพียงไรกับกิเลสที่ฝังจนอยู่ภายานใจในความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างความเป็นอยู่เวลานี้ยังดีกว่าความเป็นอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไงแต่อย่างไรก็ตามให้ปุญซับกิเลสต้องบีบบังคับให้เกิดทุกข์เรื่อยมาท่านจึงกล่าวว่าดูขั้นนัตถิธธัฏฐะอชาตสังทุกไม่เกิดทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นอะไรพาให้เกิดก็คือกิเลส เกิดก็คือเกิดทุกนั่นแหละพร้อมกันไปในขณะตั้งแต่เริ่มเกิดจนกระทั่งถึงตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายพบใหม่พบเก่ามันก็คือพบเกิดพบตายพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาผานความทุกข์ไปกับความเกิดความตายนั่นแหละเราสงสัยที่ไหนพบชาติความเกิดมันไปเกิดนั่นเกิดนี้เกิดที่ไหนก็เหมือนว่าไปแบกทุกนั้นแบกทุกนี้แบกที่นั่นที่นี่มันต้องปล่อยนั่นหรือสลัดออกเสียโดยสิ้นเชิง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 ด้วยความเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะให้เป็นอื่นเป็นนี้เท่านั้นแหละเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพูดไปพูดไปเหนื่อยอ่ะโอเคนี่นะท่านปัญญาแถวนี้ ก็อยู่แถ่นั้นอยู่ก็อยู่ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านเพราะอยู่สักคนทั้งแปดปีนยูอ่ะพอออกพรรษาหน้าแ ล, แล้วก็ไปทุกปีทุกปีขึ้นเขาทั้งนั้นลงเขาทั้งนี้ขึ้นเขาทั้งนี้ลงเขาทั้งนั้นผ่ า, า, านไปผ่านมาอย่างสะดวกสบายแถวนั้นเป็น้นากอยูนนในป่าในเขามีตะปบผูไทย พวกโซ่พวกข่าอะไรอย่างนี้นเขาอยู่ตามภาษีภาษาเขาสะดวกสบาย ม, มือหมัดมือสมัดไม่แห้งไปแล้วนะดำด้ยวยเติมกระนั้นแทนดีพวกนี้กินพริกเก่งนะโอ้โหเด็กตัวเล็กๆสู้ไม่ได้แนละ้วอย่าไปปวด ไปเขานะ่าผมไปเห็นตอนหน้าต่างาเนี่ข้าวเหนียวมบินข้าวเหนียวหนภูเขาน้าพริกเขานันเหมือนกับน้ปนนาป่นเราเนี่นยเราตป่นเราตป้าสารทาเรียกว่าป่นอย่างที่เห็ น, นี้เขาเขาตำพริกมาให้เราตำป่น ผมไปเห็นด้วทัศจริงๆก็คือตอนนั้นมาจากทางนู้น่ะทางอำเภอนาแกมาทางน้องหนาวน้องบัวแล้วกป่าข้ามเขามาทำบ้านนาหลักแจ้งนาง น, น้องหมูบ้านอะไรีกแล้วพวกนี้อยู่ทุกวันนี้นอาการผมก็ไม่เห็นประจั ก, กาทักเจริญขนาดนั้นมาทักบ้านเขา มาถึงกรรมขังท่านพิพากษายังเขาปลูกบ้านใหม่เขาพิงปลูกเสร็จนะก็ยังไม่จบร้อยดีที่ทอื่นแต่ที่ตัวเรือนของของถิง่นจบร้อยแล้วก็เหลียงยบร้อยแล้วก็ทำเกี้ยงเพราะเขไม่ทำเพื่อปลูกวักวปูกควายอะไร เขาเอายังนู้งอพักเงี้ยก็เป็นบ้านโรงหมูอะเลยอย่งหมูแปลแล้วก็มันมีสองบ้านบ้านหนึ่งอยู่ทางโน้นบ้านหนึ่งอันนี้ก็มีแค่สี่ห้าหลังบ้านที่เราพักเนี่ยบ้านนั้นก็มีแคหกเจ็ดหลังก็เป็นตาดบ้านโน้นหละบ้านที่ผ่านมาแล้ว สบายเขาไ ม, ม่ไรแล้วพระสาฆนี่แหละเขาก็มีศรัทธาดีนะผมบ้านน้นงเขายังอสงฆ์มาจังหาัดเรานะเรามาทําอยู่บ้านนี้มาถือถ้วยวกับกระติบข้า ว, วมา <c oughs> ของสามคนบ้านนี้ก็สี่ห้าหลังแล้วก็เอาถือถ้วยมาแล้วก็เอา อะไรมาใส่แล้วเรียกว่าถ่านมันก็ไม่ใช่ถ่านมันเป็นอะไรที่เขาสารน้ำถ้วยมัพิษเ่อพิษเพ่อพิษนะของใครมาก็เพืไม่มีอะไรเกี่ยวพนเลยมีแต่พิษ ล, ล้วนๆโผล่ไเลยําพิษหูพิษตามีกี่คนมาก็มีแต่พิษดาพิษแล้วคนด้วยน้าน้ำอะไร น, นู้นแหละบ้านปราล่ามันก็มีเห็นไหมมาถวายแล้วก็จะทาไงก็ตักนี้ นิดๆเพร็ดแล้วก็ส่งไปใหเขาเราฉันอยู่ภักบนนี่ขเขาพยายามกั้น้าพุงทามุงอะไรแล้วก็เจบเขาก็อยู่เช็ดเฉียงนะ้นพอเราถันเราจัดอะไรเราแล้วเปลส่งไปาห้เขาก็มนเขาเขามากินเพร็ดเขาเอ ง, เ น, น, น, น, น, น, งนั่นแหละเขาังนิดๆนิดๆมันจะได้ ส่งเขาเนมเาเขาก็ือใก่เนี่ยเาพักบนพักล่างนี่เฉลี่ยมั่งเาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จริงนั้นเขาก็ปั้นจิ้มจิ้มจนถึงนิ้วมือนะเอาจับลงไปจิ้มเนี่จนถึงนิ้วมือเนี่ยเาจิมคือเขาไม่กิมเล็กเล็กน้อยนนะเขาจิมเหมือนกิมปนจิ้มอะไรผมดูนะใส่ลงไปแล้วโอ้โหหลงหลุแล้วคอยฟังคือเขาจะหีบจะโห ผู <c oughs> ้พิเศษไม่นะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กเขากินกันแล้วเขาก็คุยกันเรื่อยไปเข า, ป า, าพูดในทั้งสองภาษานภาษาพื้นเมืองเขาก็ได้ภ า, าษาสกลภาษาเขาเองเขากันแต่เวลานั้นเขาเขาพูดกันเป็นภาษาพื้นเมืองนี่เขาพูดอย่างนั้นตรงนี้คุยกันไปกินกันไปกีบกันไปเรื่อยหมดคลิกน่นะไมว่าเด็กว่าผู้ใหญ่เชยเลยผมก็โอ้โยกวบ น, นี่แบบนี้ คือเราเอานิดๆนั่งฉันไม่นั่นอย่างนีจิ้มนิดๆก็จุดแล้วเอาจนเรียบเลยแล้วหน้าตาเฉยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอ้โหผมก็ไพูดอะไรหระมาดูสิเพราเขาเคยของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ไปพูดอะไรเขาเคยแล้วเขายังไม่มีอะไรเหมือนกับกินเนื้อกินตากินแกงกินอะไรเนี่ยไม่เผ็ดนี่แหละ ก็กินทิพย์ก็เผ็ดงั้ว่าจะไปอวดเก่งของเขาหนาพวกนี้หนาหวังกันเลยผมก็ว่านักที่กลุ่นกันแล้วโอ้ยี่ปฏิวิู้เด็กๆ ก, ก็ไม่ได้จ่ามีความเคยชินของเขาหรือประมาทเขาน้ความเคยชินเด็กตัวเล็กนี่มันเดินนี่จิร้อยเส้นลองเด็กในเมืองไปเดินดูซิมันผิดไปอย่างนั้นนะอย่างที่กุงเทพกับเมืองชนไป เพิ่งหาดเดินทางไกลอะไรแพ้เขาเมืองชนอย่างบุญลุยว่างินนี่นเนะชาวลูกทวนนั้นมาเล่าให้ฟังเดินทางไกลสู้เมืองชนไม่ได้เลยอยู่กรุงเทพเหลววดทว่าน่ะเพราะเขาเคยพวกนั้นดูนั่นมันกระบายนะเขาไม่ควร แล้วฉันกี่วันก็ไม่เห็นก็เลยล่ะ ม, ม, มีน้ำท่าหอได้อยู่กินมันไม่มีอะไรกวนพวกนี้ไม่มีจ้ะ ก, ก่อนเพราะนี่ภเขาสกนถึงสะดวกมากในการมันเป็นน้ำมันมีทุกแห่งทุกหนแหละไปไหนมันก็มีเราขึ้นบนเขาถึงจะรู้แต่ว่าน้ํามันจะเป็นน้ํามาลงมาเรียแล้วไม่สนใจอ <c oughs> <c oughs> เป็นก็พอแล้ว เรียนน้ำในแอ่งหินอะไรแต่ที่ไหนก็นี้น้ำบางทีก็เป็นน้ําตกไม่มากก็ตกอย่งั้น ท, ท, ทั้งแรงทั้งผลที่ยังทำพวเวกนี้ก็ไม่ตกมากนะน้ําตกครับมีอยู่งั้นตลอดตัวถ้ามันแหละตัวถ้ ำ, ววถำพวเวกบน้านะําแตกนที่ทางมันสี่กิโล จากบ้านแจ้งไปเพราเดี๋ยวบ้านแจ้งมาขับมาหกผมแต่ผมไปดูถ้ำแล้วนะมันอยู่ไม่ได้สําหรับผมนี่มันหินปูนถ้าเป็นถ้าหินปูนก็อยู่รู้สึกมันอะไรในถาดขาดันู้ไม่ได้หรือไม่ได้เย็นสบายมันสบายสําหรับผู้ไม่มีโรคผุ้มถูกกับทายผมไม่ถูกแต่ควเบี่ยนั้น อันนี้ไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไ น, นี่มนมีไปพบเทอวคัคซ์เต็มบ้านเต็มเมืองผู้เพื่อนเถหาสะดวกสบายเขาไม่ได้มันบีบบังคับผู้ดันทุกทางย่งนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมากนี่ก็ไม่สะดวกในความเปลี่ยนแต่พวก็ดีอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการอบรม ถ้าเห็นว่าเป็นมีมีหลักเลยได้ไปอยู่ไปลําพังนี่ไม่ได้เรื่องะผมเคยแล้วอืมันเหมือนถ่านไฟล่ะถ้าไฟไม่มีมก็ดําปี่มีเสียถ้าไฟมีมก็แดงโล่เผาตัวเองมีเสียดําปีมันก็เผาแดงโล่มันก็เผาอยู่ะว่าไงคําว่าดําปีก็คือดําดําถ่านไฟจิตใจดําปีก็มีแต่ไฟแดงโล่ไฟกิเลนแดงโล่สิถ้าเราจะเทียบว่าไฟสองชนิดกับชนิดที่วันหนึ่งก็จะเรียกว่าแดงโล่ก็ถูก จะเรียกว่าดำปีก็ถูกนะแต่มันก็รอดด้วยกันคุณตัวกิเลสไม่ทำ ใ, ใครให้เย็นเนี่ยนี่น้าเข็ดน่าหลกากเว้ยความมุาหน้าของกิเลสน่แหมมันเหมือนเป็นนักโทษที่เขาถูกเขาควบคุมโบยตีอยตลอดเวลามันไม่เคยเห็นอีกแล้วมีแง่แงความสะดวกสบายพอเป็นคู่แข่งกันมันก็มีเกิดมากก็เกิดกับกองทุกข์ันนี้ก็อยู่อย่างนี ไม่มีความสุขอะไรที่จะมาแทข้ามาเพราะให้เห็นป้าเนี่ยอย่างที่ว่าจิตเสืม่มยงเคยเล่าให้ฟังมันมันทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ไม่ทราจบจะไปยังไงก็ไม่รู้คนได้ก็ได้แต่ช่วงขณะจิตเดียวที่ภาวนาที่ว่าจิตสงบรอมแปลอาจารย์ก็ยิ้มใส่แล้มันในเรื่องเสียสองปีสามปีจนจืดจังหมดแล้วที่มาทมันเป็นอีก ก็แค่นั้นมันไม่มันไม่ยังถาวรไป็นนานเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมยิตเป็นสมาธิแล้วเสื่อมมันนานนี่ขอให้ชงรสชงชาตไปนานนีมันมาเสื่อมแล้วไม่มีอะไรไม่แต่เพียงแต่ไปซโหยังกองทุกไม่มีทุกใดยิ่งกว่าทุกจิจเพราะกิตเสื่อมนานว่ะแต่ความกระทู้ข่าไม่เห็นอ่าเม่อไรจิตเสื่อมนมันทุกข์จริงๆ หนถึงก็นานที่ว่ามันจะเสื่อมอีกไมาได้เสื่อมอีกต้องตายเท่านั้นจะทนทุกอีกไม่ได้แล้วนอกจากตายจะเสีย น, นมันถึงฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยมันจะแน่ใจว่าจาิตไม่เสื่อมเท่ามันก็ไม่เคยได้นอนใจมีแต่มันจะขยิบขึ้นเรื่อยความระวังจิตเสืมนิดน้อยลงไปกับความขายิบขึ้นหน้ามันก็ไม่ไมันเลยน้อยเนี่ยนั่นก็คือความพยายามอมันหลุดออกจาก อำนาจมัน เ, นเสียเป็นแสนตรบายาวอนได้ึ้นในปีได้เดือนในเวลาได้นัดนไม่ถึงกันน่ะมีความรู้อยู่แคนั้นมันมีอะไรมายุ่งมา ก, กวนมีแต่อายุนะสัมผัสสัมพันนับรูปยิบยักยิบยักยกแต่กนั้นมันจะเ่งทุนธาตุยังันเวทนากับทุกขเวทนากับมีเพ่งภายในกายเสียจะพาไปลารลังแจหลความประบีบบังคับจิตใจให้ เป็นพื้นไฟไปเรื่อยกันเหมนกันไปก่อนมันก็ไม่มีเสี้ยมันเป็นหรักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เราบางังคับนะมันเป็นเองรู้เองความเป็นเองรู้เองเห็นเองมันจะไม่ชัดได้ยังไงฉะนั้นจึงกล้าพูดในสิ่งที่ปรากฏแล้วกล้าพูดถ้าไม่ป ร, ปรากฏเอาอะไรมาพูดแ ม, ม้เราไม่ได้เป็นอร ห, รรหรนันต์อรหันต์อะไรต่างแต่กล้าพูดไปถึงขั้นอรหันต์ท่านมันได้กล้าพูดเรื่องนี้ ถ้าฮไม่มีเวทนาว่างี่นั่นก็าเอื้อมขอนาด น, นั้นมันยังกล้า <c oughs> กล้าบ้ากาบออะไรแ ล, แล้วแต่พิจาร เ, เวานารณามาจากไหนน่ะเวทนานันเป็นสุมไม่ใช่เหรือเนี่ยถ้าเราจะพูดออกมาอย่างยาวๆเวทนานั้นเป็นสมมุตินี่กิจเป็นนิมุตเอาเข้าก็ได้ง่ า, ง า, เายเนี่ยแล้วแยกมาเนี่ยทำให้แยกมันก็รู้อยู่ในธรรมชาติอนันอยู่แล้วนั่นแล้วอะไรจะไปเหยียบ เมื่อเป็นอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์มันพูดแบบนั้นมีจะผิดที่ตรงไหนไมไ่ยอมแล้วหมอรบร่านี้เยอพอาหารย์พระาาองค์มายืนนิพพานให้ดูนั่ ง, น, งนิพพานให้ดูบ้างนอนนิพพานให้ดูบ้างเดินนิพพานให้ดูบ้างสี่ท่าก็ห้าทําทำไมทําทำไมได้เออทํานไม่เป็นผู้ต้องหาไมไ่ถูกบังคับขันอยู่ตามนั่ของมุดแล้ว อ, อยู่ใต้ ยิงงุนิุุพจนไแล้วจากขันขันมาบังคับได้ยไงมันทนไม่ไหวมันก็ลงของมันตายลงไปท่านเองด๋ยหมันไปบีบบังคับจิตของท่าน้ เ, เป็นเอียงไปอย่างั้นเป็นไปได้เป็นธรรมานิมตถ้ไม่ตากดกับเจ้าของมันก็เถียงวันยังข้าคนตาบอดมันเถียงเก่งนะโมหานก็เก่งขี้คุยขี้โมก็อยู่กับคนตาบอดนั่นเนี่ คนโง่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย ต, ตัวไม่เคยเห็นเห็นอัดเห็นทำนี่ไม่ทราบว่าทำเป็นยไงก็ความโง่เขาไปลบล้างไปหมดลบล้างหมดเหมือนคนตามบอดเอาความตะหวานตัวไปลบล้างความตาดีของเขาไปหมดคนรำคาญเขาเขไม่เขไม่พูดแล้วก็ฟังเขาลูาบ้าแล้วใครจะมารู้จะบอดบ้า ท, ทําลายกันไหอะไรมา นี่คนโง่งก็บ้านน้ำลายอยู่โดยดีแล้วหลาดแล้วก็ตามแต่คนที่เด็ดได้เหยียบอีในหัวแล้วปราดทั้งหลายท่านไม่ได้ว่าคนฉลาดเลยดีดออกจากมันได้ตอนไหนตอนไหน น, น, น, นั่นแหะฉลาดเแยนั้นแงนั้นเลยไปแล้วท่านดีตัออจากกิเลสได้แ่ไหนแงใดแงในมุมใดช่องใด น, นั่นแหละความฉลาดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วจึงหลุดไปได้จึงหลุดไปได้เอาซะจนกิเลสหมอบราบแล้วฉลาดจอมำ เป็นกิจแต่ท่ามันสำคัญมาพูงค์าสนาท่านเป็นหมายเพราะนี่เป็นเรื่องสมมติของโลกอีกพันหนึ่งหเหมือนกันท่านจะหมายไปจำพันอะไรนีอย่างว่าถ้าเป็นพระอรหันต์านนี้เสดยันีงท่านก็ไม่ว่า อ, อยู่ตามความจริงเท่านั้นแหละเสกมันทำไมแตเป็นขึ้นภารกิจมันพูดได้ทางนั้นแหละคุณา เดี๋ยวมาทำอยู่กับจิตไม่อยู่ที่นัยน์นามมีสายของจิตเท่านั้นก็จะทราบทำท่านต่างๆถึงมิมุตติธรรมไม่มีอะไรแล้ ว, ลวนะทราบไดมยืนยังไ ด, ดนน้มีจิตดวงเดีวยดวเทนั้นอันนี้ก็เอาละไม่พูด อ, ดโนโนอีกแล้วเย้คนเลิกอีกพูดรูดมารันเป็นบ้ากันนั่นเอง